ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมานเณรทั้งหลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องพระนางสามาวดีต่อด้วยความจริงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงพระสัทพสามาวดียังไปเรื่องเป็นตอนเรองโคโสเทพบุตรเนื้อความตอนที่แล้วมีว่าในเมื่อในมาร์เมอร์ท่านมหาเสฐี ได้ให้นางกาลีเอาไปเอาโคศกลูกชายนะลูกเลี้ยงไปทิ้งไว้ี่ปา่าคอกหวังยิ่งโคเหยียบจำเอินโคก็มาเหยียบและต่อมาในโคบานก็รับเลี้ยงเป็นลูกความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทโคศกคนนี้เขามีบาปเพราะทิ้งลูกให้ตายในกลางป่า แต่ว่าโดยอริสงที่เกิดเป็นสุนัขไปเห่าหอน ส, สวายความรักในพระบัจจีของพระพุทธเจ้าแล้วก็กล้องการอันตรายแก่พระเจ้าจึงไม่ตกนรกและก็ต้องมาถูกทิ้งแบบนี้ได้รับความช่วยเหลือเพราะความเมตตาปราณีที่เขามีแต่พระบัจจีของพระพุทธเจ้านั่นเอง <c oughs> ในตอนนี้ก็ย่อ ว, ว่าเึงการต้องถูกทอดทิ้งที่ผ่านมาแล้วสี่ครั้ง ต่อมาก็ถูกทิ้งเป็นวาระที่ห้าท่านให้หัวเรื่องว่านางกาลีนำโคศกไปให้เกวียนทับด้วยความมีว่าเมื่อท่านเสถีได้ทราบจานางกาลีแล้วว่าโคศกลูกเลี้ยงและลูกดินซื้อเข้ามาและนำมายัางไม่ตายเพราะโคไม่เหยียบ ยังเรียกนางกาลีมาหาแล้วก็บอกว่าแม่กาลีในเมืองนี้นะักเกวียนห้าร้อยเร่มเข้าค้าขายกันอยู่มีมากในเวลาชาหมวยเขาออกเดินทางถ้าไรก็ดีขอแม่กาลีจงนำเจ้าเด็กคนนี้ไปวางไว้ที่ทางเกวียนโดยมีความประสงค์จใ้โคมันเหยียบ ถ้าโคไม่เหยียบล้อก็ทับมันก็จะต้องตายแล้วเจ้าก็จงพิจารณาดูว่าตะองคอยดูลีลาว่าเจ้าเด็กคนนี้อย่าตายเพราะเท้าโคเ ร, รียตายเพราะลอยเวียนทับล้อเวียนทับหรือว่าจะตายหรือไม่ตายเจ้าจง น, นําเรื่องราวมาบอกเราให้ทราบนางกาลีความจริงเธอก็มีความสงสาร คำว่ากาลีนี้ไม่ได้แปลว่าระย่ำกาละแค่แวการเวลาคือผู้หญิงคนนี้เป็นคนรับใช้ต้องทำงานตามการตามเวลาที่เขาสั่งแต่ว่าเมื่อนายใช้ก็จำเป็นที่จะต้องทำถ้าไม่ทาก็มีความผิดฉะนั้นทั้งทั้งนางกาลีมีความสงสารในเด็กเธอก็จำจะต้องทำ เมื่อเวลาตอนดึกเธอจะได้นําเด็กทารกคนนี้คือว่านายโคศกไปวางไว้ที่ทางเกวียนให้ตรงรอยเกวียนพอดีเพราะตามโบติรอยเกวียนรอยล้ อ, อ ก, กับรอยเท้าโคจะขนานกันเมื่อไปวางไว้แล้วก็แอบซุ่มดูอยู่ใกล้ใกตั้งใจว่าคราวนี้โคศกเธอจะตายหรือไม่ตายก็ยังไม่แน่ ในเวลาเช้ามืดหัวหน้าเกวียนห้าร้อยเล่มหัวหน้านาเกวียนออกหน้าลูกน้องก็ตามเปน็นลำดับไปแต่พอไปถึงเด็กชายโคศกเวลานั้นเป็นเวลากลางคืนยังมืดอยู่คนบนเกวียนก็ไม่เห็นเด็กแต่ว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ปรากฏก็โคถึงตรงนั้นแล้วไม่ยอมเดินต่อไป สลัดจงสลัดจงทั้งแอกหลุดจากคอทั้งทั้งเดียวของบังคับให้เดินด้วยการตีบ้างแทงแทงด้วยประจักบ้างเธอก็ไม่ไปทำยังไงก็ไม่ไปรอเวลาอยู่ท่าสว่างพอสว่างขึ้นมานายเกวียนก็คิดว่านี่มปนเรื่องอะไรกันเกวียนต้องเส้เวลาทั้งห้าร้อยเล่มการไปค้าขายจะไม่ทัน มองไปมองมาด้านหน้าเขาปรากฏพบเด็ก น, น้อยคนหนึ่งนอนอยู่ตรงทางเกวียนพอดีเขาวางขวางอตัวขวางไว้ถ้าโคก้าวไปไม่ไมก้าวก็ถึงเด็กจะต้องเหยียบเด็กตายถ้าโคไม่เหยียบเด็กทางนอนขวางทางลออเวียนเกวีย น, นก็จะทับตาย ยังได้เกิดใจความอะไรเกิดขึ้นคิดว่าโอ๋หนอเด็กน้อยน่ารักคนนี้ไม่ต้าจะต้องมาเสียทีเสียชีวิตก็เกลียนทับแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นลูกใครมาในป่าหาเจ้าของหาพ่อแม่ก็ไม่ได้จิงตัดสินใจด้วยนายข้นงความรักว่าเราจะนำเด็กคนนี้ไปเลี้ยงเป็นบุตรบนธรรมเื่อให้เป็นลูกคนโตของเรา่น่ารักดี ยิงข้าไปอุ้มเด็กมานั้นนำขึ้นมาเป็นเกวียนโคก็เดินตามไปไปตามไปบกโคก็เดินไปตามปกติไม่มีพยศใดๆก็นางการลีเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ก็ทราบว่าเวลานี้นายเกวียนได้นำเอาเด็กน้อยโคโสกนนี้ไปแล้วยิงได้แจวอ้าวมาถึงท่านมหาเศรษฐี ท่านะเะธีให้ น, นางกาลีจินัยถามว่าแม่กาลียังไงวันนี้สาเร็จไหมตายสงความประสงค์ไหมแม่กาลีก็บอกไม่ตายพะเยาค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นเหตุอาเซรั์กเกวียนพอไปถึงที่ตรงนั่งใกล้เด็กโคไม่ยอมเดินต่อมามื่อโลสว่างปรากฏว่านายกเกวียนเห็นเด็กเข้าเกิดความรัก นำเอาไปแล้วเจ้าข้าอุ้มมาไปทำเป็นแสดงความรักให้ลูกท่านเศรษฐีก็เจ็บใจว่าไอ้เด็กจังไรคนนี้นี่มันจะมาแย่งตำแหน่งมหาเศรษฐีของลูกของเราเนี่เป็นไปไม่ได้เยนได้บอกนางกาลีว่าแม่กาลีไม่เป็นไรในเมื่อมันยังไม่ตายเอ็นหยอบยอมเสียเงินอีกหนึ่งพันกระหับนะ รวมเป็นห้าพันตนะีหนึ่งกะหบนาะเท่ากับสี่บาทหนึ่งพันกะหบนาะเท่ากับสี่พันบาท4ี่ี่สิบหกเสีย่าหมื่นหกพันเหรียญแล้วเธอจงไปซื้อเด็กคนนี้มาจากพ่อค้าเกวียนยังไงยังไงเขาก็ต้องให้เพราะเขาไม่ร่ำรวยเกินไปนางกาลีก็ได้ทำแบบนั้น แล้วก็ซื้อเอากลับมาแล้วก็มาบอกให้กับท่านมาหาเศรษฐีความจริงเศรษฐีคนนี้ยังไม่ถึงขั้นมาหาเศรษฐีต่อไปท่านเศรษฐีก็คิดว่าทิ้งที่ไหนทิ้งที่ไหนมันก็ไม่ตายต่อไปเจ้าจงนํามันเอาไปไว้ในป่าชา้าผีดิบตามธรรมดาน่าป่าชา้าผีดิบมันคนมั่งสัตว์มั่ง สัตว์กันหลายก็มีมากมีเสือมีสิงเสือสิงก็ทิ้งแรบว่าตามเขานะ <c oughs> มีเสือมีสิงมีงูงร้ายอยู่เป็นมากยังไงไงเจ้าเด็กคนนี้ต้องตายแน่ถ้ามันไม่ตายเพราะสัตว์ร้ายทํามันก็ต้องตายเพราะการอดตายทั้งนี้พ่อตามปกติประชานี่ไม่มีใครอยากเข้าไป ในเมื่อทิ้งไปนานๆอย่างมากกว่าหนึ่งวันมันก็ต้องตายแน่ยิ่งบอกแม่นางกาลีว่าแม่กาลีนำเจ้าเด็กคนนี้ไปทิ้งไวในป่าชา้าอันเป็นป่าชัดป่าชา้าผีดิตนำก็ไปให้ลึกแสนลึกใหญ่เพิงคนเห็นนางละกาลีก็จำใจจำาจต้องทำตามคำสั่งของนาย นายสั่งผิดนายสั่งถูกนำก็จำจะต้องทำ <c oughs> แล้วท่านสติก็บอกว่าเมื่อเธอไปทิ้งไว้แล้วก็ต้องสังเกตดูด้วยนะว่ารุ่งสว่างจะมีใครมาเจอะมาอีกไหมฉันเข้าใจว่าคงไม่มีใครเข้ามาาะไปชาผีดิบแน่ เป็นอันว่านางกาลีก็นำเด็กคนนี้ไ ป, ปไว้ไที่ประชาพิดิบในตอนลึกๆมัรกชัดไกลจากคนแต่ว่ามีสัตว์ร้ายมากแล้วก็สุ่มดูสังเกตการอยู่ตามคนกาักาลสมัยเป็นนั้นว่าในตอนเช้าวันนั้นก็เป็นเรื่องอัศจรรย์มีพ่อค้าคนเลี้ยงแพะเลี้ยงไว้สำหรับขายนับเป็นแสนตัว เตยก็ไล่แพะเข้ามาเลี้ยงที่ป่าชาพี่ดิบเพราะว่าประชาพี่ดิบจยไม่มีใครเขานําสัตว์มาเลี้ยงมันปลอดภัยไม่มีใครเขาว่าถ้าเป็ น, นวับนบรรดาแพะท่างหลายเข้าไปกินหญ้าในนั้นบังเอิญมีแพะลูกอ่อนอยู่หนึ่งตัวเรียกว่านมกําลังคัดเพานมมีไว้เพื่อโลกกิน เธอบุกป่าผ่าดงเข้าไปไกลออกไปจะฝูงแพะเข้าไปในป่าลึกเข้าไปถึงเด็กน้อยแล้วก็ย่อตัวลงมาเอานมให้เด็กโดดกินเจอของแพละเห็นไปมาเสะจนไม่แพะตัวนี้มันลุยป่าเข้าไปจะามาแยกฝูงออกไปใกความจริงเขายังไม่เห็นเด็ก หาทางไล่หาทางแตวาดหาดางไม้คว้างอีกคว้างเท่าไรแพะก็ไม่ยอมถอยออกมาเห็นมันย่อตัวผิดปกติมันดื้อนักที่เข้าไปหมายจตีแพะให้เข็ดแต่ว่าเป็นนาสจรย์บรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านขึ้นชื่อว่าบุญนี่ก็ช่วยไม่เลือกสถานที่เหมือนกัน เป็นนบคคนที่เกิดมานี่ต้องรับผลทั้งกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลกรรมที่เป็นอกุศลของโคศกเป็นเตุให้เธอถูกทิ้งหวังจะประหารชีวิตเพราะทิ้งลูกให้ตายในป่าแต่ว่าบุญที่มีความจงรักภักดีแด่พระบัจจกับพระเจ้าแล้วก็ เห่าหอนกันโชคไล่สัตว์ร้ายเป็นการป้องกันอันตรายกับพระบัีพุทธเจ้จาก็ช่วยถือพร้อมกันนั่นคือแพะให้น้ำนมถ้วพอเอาของแพะเข้าไปเห็นเป็นเด็กน้อยแพะกําลังให้น้ํานมเด็กน้อยกินใจก็เกิดความรักขึออ้นมาว่าแม้เด็กคนนี้น่ารักจริงๆเราก็ไม่มีลูก เราอยากได้ลูกมานานแล้วไม่มีลูกกับเขาทำลูกกับเขาไม่เป็นทำได้แต่มันไม่มีลูกยิ <c oughs> ่งดีใจคิดว่าเด็กคนนี้เราจะเลาบั๊บไปเป็นลูกชายคนโตของเราถ้าบังเอิญจะมีใหม่ยิ่งเข้าไปอุ้มเราก็ประงมนาเอาไปเพื่อจะเลี้ยงห ม, มายความมันก็ไปเลี้ยงเพื่อเป็นลูกต่อไป กรวมความว่านางกาลีได้สังเกตการอย่ไม่ไกลนักทราบว่าเวลานี้เด็กน้อยไม่ตายเสียแล้วคนเลี้ยงแพะมีความเมตตาประณีจิงได้นำาด้วยความนี้มาบอกก็เจ้าน้อยคือท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีเกิดความเจ็บใจว่าไอ้เด็กจางไรท่านยังไงยังไงมันก็ไม่ตาย เอาเธอไม่เป็นไรไม่กาลีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาเงินไปพันก็หาปณะนะทำไมนั้นเองเงินพันมันมีค่าสูงมากก๋วยเตี๋ยว 2, สองชามห้าสตางค์ทองคําหนักหนึ่งบาทเท่ากับราคาสิบบาทเศษๆก็ลองคิดดูว่าเงินพันคือกัรหาวณะนะคือเงินสี่พันบาทนี่มันราคาเท่าไหร่ ท่านเศรษฐีช้ำใจใจต้องชนะให้ได้จอมอบเงินหนึ่งพันกะหวาวนะันละให้กับแม่กาลีไปติดต่อกับนายเจ้าของผูงแพะขอซื้อกลับมาขบเขาก็ให้แต่ความจรงิงถ้าอากุศลไม่สนองเขาคงไม่ให้นี่พระอกุศลของโคศกสนองเขาไว้จริงำจำเป็นจะต้องถูกทอดทิ้งต่อไปถูกเขาจองล้างจองผลาญจองฆ่าต่อไป ก็เป็นอันว่าเขาต้องถูกทอดทิ้งต้องถูกทอดทิ้งมาแล้วหกวาระคราวนี้ก็เป็นวาระที่เจ็ดเมื่อนางกาลีนำนายโคศกคนนี้เอามามอบกับท่านเศรษฐีแล้วท่านเศรษฐีก็วางแผนต่อไปวางแผนว่าแม่กาลีเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน คราวนี้ไม่มีใครช่วยมันได้เลยไอเด็กคนนี้มันต้องตายกาลีก็ถามว่าจะทำยังไงท่านเศรษฐีก็บอกว่าเอามันไปทิ้งเหวเขาไม่ไกลาจากบ้านเรานักด้านหลังในป่าตรงกลางคือกลางเขามีเหวลึกคนเข้าไปยากมีดงไผ่มากโยนมันลงไปในนั้น ดีไม่ดีมันไม่ทันจะถึงดินอาจจะตายก่อนก็ได้ถ้ามันยังไม่ตายไปค้างบนยอดไผ่ที่ว่าลงดินไม่ช้ามันก็ตายไม่มีใครจะไปช่วยเหลือได้นางกาลีก็จำเป็นจำใจเพื่อเป็นคนรับใช้ของเขาต้องปฏิบัติตามเจ้านายนำนายโคศกเด็กน้อยคนนี้ไปถึงเขา แล้ว ก, กล่าวว่าเจ้าว่าพ่อหนูน้อยเจ้เอาทูตออกไปจะจองล้างจองเวกันเลยนะฉันเนื่องมีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้านายเจตนาร้ายไม่มีภัยนี่จึงจะมีกระฉันเลยแล้วนางก็โยนต๊บลงไปกลางหิวตอนนั้นก็ไปเหตุอศัศจรรย์กลางหิวมีกอไพรอยู่มากไพรงามมาก คนที่เขาจะจักสารเขาก็ไปเอาไม้ไผ่ในนั้นไอว้วนยอดไผ่ก็มาเอือนมีเถาวันแค่เดือดไถเอาเถาอะไรก็จังทีนะมันเป็นเถาวันก็แล้วกันมันเกาะอยู่บนยอดไผ่นาทึบนนามากรายกฏว่าเจ้าเด็กน้อยคนนี้เขาโยนตับลงไปก็ไปค้างเถาวันพอดี ไม่ได้เถาอย่างเดียวมันมีใบสะพรั่งเขาเรียกว่าเถาอะไรก็จําไม่ได้เช่นละช่างเถินะถ้เป็นนั้นว่ามันนางการรียนโยมไปแล้วก็ต้องรอสังเกตการต้องสังเกตการก่อนว่าเด็กคนนี้จะตายหรือไม่ตายก็สังเกตไว้ตามเจ้านายสั่งก็รวมความว่าไม่ตอนสายวันนั้น ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ในช่างจักสานเกิดขาดไม้ไผ่ที่จะจักสานขึ้นมายังได้พาลูกชายเข้าปณิปา่าหาทางรถละรถละรถะละรถเขาปณิหิวก็มีทางขึ้นทางลงเขาต้องเขาใช้ไม้ไผ่ในนั้นเพราะมันงามดีพอเข้าไปตัดไม้ ต้นไม้ไผ่ไหวเท้าเท้าวันก็ไหวเด็กที่ปรากฏที่อยู่วันนั้นก็ร้องจ้าขึ้นมาเขาก็ตกใจวันนี้อะไรมันผีและมันคนกันแน่ในแถาในป่าลึกอย่างนี้ไม่น่าจะมีคนแต่ก็ทำใจกล้าสองคนกับลูกชายเข้าไปดูปรากฏพบพ่อชมตรูโคศก เธอก็เกิดความรั ก, กวัดแหมนเด็กน่ารักเหลือเกินมาอยู่ได้ยังไงที่นี่แล้วว่าเทวดาอุ้มสมส่งมาให้เราจึงรับไปเป็นลูกชายคนรองต่อไปนางกาลีเมื่อสังเกตการได้ทราบความแบบนี้ไซก็นำเรื่องไปหาเจ้านายใหม่ไรงานได้ทราบเจ้านายก็ต้องเสียเงินอีกพันบาทแม้สี่พันบาทคือหนึ่งพันกะหปะปนณะ มอบให้นางกาลีนําไปถ่ายมารวมความว่าโคศกลูกชายที่ทิ้งลูกให้ตายในกลางป่ามาในชาตินี้เป็นเศษของกรรมนะถ้าเป็นเนื้อกรำรจริงๆต้องตกนรกอันนี้เป็นการบังเอิญจริงๆตายจากคนเข้าท้องสุนัขแล้ว ก, กลับมีความจงรักภักดีแด่พระพุทธเจ้า ถวายการรากขามีความรักในพระระเจพรพุทธเจ้าก็เทียบได้กับพุทธานุปัตติกมฐานเพราะใจเขานึกถึงพระประเจพพุทธเจ้าเป็นปกติด้วยว่าพระระเจกับพุทธเจ้านี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งซึ่งบรรลุธรรมได้ตนเองไม่มีใครสั่งสอนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่แต่ว่าไม่สอนใครเรื่องนิพพานเท่านั้น อันนี้สงฆ์จริงใหญ่ต่อมาท่านมหาเสถียีจะมอบเงินให้นางกาลีไปถ่ายถอนคือไปซื้อเด็กกลับมาตามเดิมหวังจะฆ่าให้ได้แต่ว่าบรรดาเพื่อนพี่สุสมณีนนทั้งหลายและบรรดาญาโยามพุทธบริษัทเวลานี้ก็ปรากฏว่าเป็นเวลาใกล้จะหมดคัตเสร็จ แล้วก็เป็นวาระที่โคศกต้องถูกทอดทิ้งเก็บวาระพอดีแต่ว่ากรรมของโคศกนี้ยังไม่ถึงที่สุดยังจะต้องถูกทรมานต่อไปแต่ว่าสมหรับวันนี้เวลามันจะหมดก็ต้องหยุดไว้แต่เพียงแค่นี้ต่อไปยังไงฟังกันใหม่ในโอกาสหน้าจะเป็นกางวัลางคืนทำไมทราบเพราะว่าเขา เขาจะเปิดเวลาไหนก็ไม่ทราบเป็นนั้นว่าเปิดให้ฟังทั้งกลางวันและกลางคืนตอนนี้เราก็มานั่งนึกกันก่อนมาคิดกันก่อนขึ้นชื่อว่ากรรมเล็กน้อยเท่านี้บรรดาทั้งพู้ตรบริษัท <c oughs> ถ้าจะพูดอย่างคนประมาทหรือว่าจะพูดอย่างคนผ่านก็ถือว่ากรรมนี้เป็นกรรมเล็กน้อย แต่ว่าเนื้อแท้จริงๆแล้วไม่ใช่เล็กน้อยเลยเขาทิ้งลูกของเขาให้ตายเพราะขายความเมตตาปราณีถึงแม้จะมีความจำเป็นยังไงก็ตามทีที่ว่าขาดเมตตากันแน่เขาต้องมาถูกทอดทิ้งเพื่อให้ตายเจ็ดครั้งแต่ว่าบางคนพระที่ตันเทศจะบอกว่าสัตว์เดชานทำบุญไม่ได้ <c oughs> ใหวาดาทำบุญไม่ได้จะทําบุญได้แต่มนุษย์อันนี้ไม่จริงเสแล้ววรรดาท่านพระตบริษัทอันนี้องค์สมเด็จพระทรงเสวัสดีโสภา ค, คือพระพุทธเจ้าทรงรับรองยืนยันว่าโคศกในสมัยที่เป็นสุนัขนั้นเธอทําบุญได้ถ้าไหวความเคารพในพระบัจจีกับพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความป้องกันอันตรายแกพ่พระบัจีพระเจ้าบุญนี้สนองให้เธอเกิดเป็นเทวดา หลังจากมาจากเทว ด, ดาแล้วถูกเขาแกล้งเท่าไรก็ตามทียังได้ผลอนิสงส์นี้ยังได้รับความเมตตาปรานีจากคนเสมอมาเวลนั้นว่าสับเยีชันทาบุญได้แน่ทาบุญต่อได้แน่นี่มาว่าถึงพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัทอาการอย่างนี้จะเกิดมีแั่พวกเราถ้าเรายังเกิดเป็นคนต่อไป ชาตินี้เราปลอดภัยแต่ชาติหน้าก็ไม่แน่นักโทษที่เราฆ่าสัตว์ประชีวิตม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็เป็นผลของปาณาติบาตเช่นเดียวกับโคศกหากว่าเรายังเกิดอยู่ต่อไปบรรดาทัานพุทธบริษัททั้งหลายเราไม่พ้นทุกขเวทนาอย่างนี้แน่นี่เราจะทำยังไงตัดทางให้พ้นเลยได้ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่า โลกนี้เป็นทุกข์เทวโลกและพรมโลกเป็นสุขช่วคราวไม่มีความจรังยั่งยืนหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องหล่นมาใหมย่ยังโคโศกเทพบุตรมาเกิดเป็นเด็กแห้งเอาทิ้งในแบบนี้ทางที่ดีหาทางตัดโลกไปเสียเลยนั่นคือหนึ่งคิดไว้เสมอตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนกับเบสการี ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงคิดไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอนไม่สงสัยในความดีของท่านท่านแนะให้ทำความดีประเภทไหนเราทำประเภทนั้น และให้เว้นความชั่วประเภทไหนลราเว้นประเภทนั้นที่องค์สมเด็จพระสงฆ์ทันทรงแนะนำอันดับแรกสำหรับเคราะห์ไก็คือสินห้าตั้งใจรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์ผุดพองแล้วคิดไว้เสมอว่าถ้าชีวิตนี้ตายเมื่อไรขึ้นที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพมก็ดีจะไม่มีสาหรับเรา เราต้องการนิพพานอย่างนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน <c oughs> ทรงสินห้าเป็นปกติไว้ทุกวันมีความเคารพในพระไตรสน า, นาคมนิยมพุิพานจุดเดียวพระพุทธเจ้าบอกว่าบาปอากุศลใดๆที่ทำไปแล้วในการก่อนจะไม่มีโอกาสให้ผลเราจะไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็น เ, เปรตนาสุรกายเป็นสัตว์รา ได้เกิดอย่างเรวก็เป็นคนท่านดีหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเทวดาหรือพรมถ้าจิตเรานิยมจริงๆพระนิพพานเราก็ถึงพระนิพพานแน่ถ้าเราบันดาท่านพุทธบริษัทหลายสัญญาณบอกหมดเวลากริ้งเกันแล้วก็ต้องเลิกกันก็ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่าน